ข้อต่อไปานูบสวิธีหน้าร้อยเจ็ดสามนะครับกัมมข้อที่สิบหกพสูรรูปใดแยกไงก็ดีให้ผู้อื่นแยกก็ดีซึ่งจีวของพิสุดีผู้ไม่ใช่ญาตต้องอาบัติปาจิตีที่นะครับไม่ได้อะไรนะไม่จะว่าให้จีวรอย่างเดียวแม่แยกจีวรให้พิสุนีก็ไม่ะครับ<อ> เย็บกาดีใช้คนอื่นเย็ยบเราใช้รูกสรดูหาให้เย็บให้่าบนี้นะก็ไม่ได้ต้องแบบใส่ตินเด<ม>ิมนครับเดี๋ยวดูต้นมันใหญน้มันจากพ่อทานยี ม, มันจะมีเรื่องรามกอะไรเกิขึ้นก <c oughs> ับพ่อทานยีนะคร <c oughs> <ม>ับเพราะว่าเขาไม่ใช่ญาติแ้ไปทอล์นอย่งั้นก็จะด้เกิดความผิดส่นคุ้นเคยนะครับไอตอนที่อะไรนะ เตรียมการเ น, นี่ยนะอะจารย์้มีน้องฟังบายหน่อยนะครับเป็นอาบัติทุกกฎก่อนตอนที่อันนี้บอกมบไปจิตตีนะครับไอ้นนตรงที่กัดได้อะไรได้กอ น, น, นเป็นอาบัติทุกกพอเย็บเข้าไปก็ต้องบบไา จ, จติตตีนะครับคาว่าจีวอในที่นี้นะอ้าวจีวอที่พอจะนุ่มผมได้นะครับจีวอที่เย็บ ไ, นะไม่พิถีพิถันนะคไม่ได้อาวจีวอพอจะถือฐานหรือว่กลได้นะครับ แต่มาอาจีวรที yeah. so, right now, ่พอจะนุ่งผมได้เลยอันนี้อย่างนี้นะที่สุกกะก็ดีตัดก็ดีดื้อตั้งจะต้องไปแย่ไหม่นี่เป็นทุกข์ก่อนพอเย่แลนะครับแต่เป็นปลาสิตตีในเพราะการสอนเข็มทุกๆครั้งที่สอนแต่ละเข็มมาสอนมาสอนมานะับไปเรื่อยทุกครั้งที่สอนเลยอันนี้ต่อไปนะครับคุณต้นมีเหงื่อเมื่อไหร่ มาจากพระอทายีนี่เองนโดยสมัยย้อนยุคป้าพระเจ้าขํามอยู่หน้าพระเศตรวันอาณาเขานาถาีก้าวข้ามบริีเทพพระนครสามนาคีครั้งนั้นเทพพระอทายีเป็นผู้สามารถทําชีวลเก่าเนี่ยเหมือนพวกปนอนเลยนะพวกนี้เขาเย็บจีวาลเก่งทาจีวาลเก่งเนี่ไม่ธรรมดานะถึงจะไม่พอพูดอะไรเสียหายนะแต่ถ้าทาจีวาลทําเก่งเนะ ที่สุนีรูปหนึ่งเข้าไปหาถ้ำพระอุทานีที่สุนีรูปนี้คือภรรยาเก่าของพระอุทานีนะครับถึงกล้าเข้าไปหาถึงที่นะแล้วพูดว่าดิฉันขอโอกาสเจ้าข้าขอพระคุณเจ้าช่วยเย็บจีวรให้ดิฉันด้วยฝ่ายถ้ำพระอุทานีเย็บจีวรให้นางแล้วทําการย้อมอย่างดีนะสีมือแล้วนะครับทําบริกรรมเรียบร้อยแล้วเขียนรูปอันวิจิตนะตาความคิดเห็นไว้ในถ้ำกลางแล้วพับเก็บไว้ อารมณ์อวิจิตต์นะครับแก้เขียนออกมาด้วยความคิดอาลามกนะความคิดจินตนาการอาลามกคือแกเขียนภาพผู้หญิงผู้ชายกำลังเสร็จเมนถุง น, น ะ, ะวาดใผืจีวร น, นะหรือว่างานมกขนาดนี้นะคะแล้วตามพิจารณาการอาลามกตรนั้นแล้วก็วาดไปนะครับใส่ด้วยลา ย, ยไปเน ะ, ะขณะนี้เลยนะแล้วก็ความเสียนไว้นะครับท่านพิสุนนี้นั่งเข้าไปหาท่านพระทานีแล้วถามว่าจีวร น, นั้นเสร็จแล้วหรือยังเจ้าข้า เท่าทานยี่ต่อว่าเสร็จแล้วน้องหญิงเชิญนําจีวรผืนนี้ตามที่พับไว้แล้วไ ป, กไวปเก็บไว้เนี่ยไปเก็บไว้ก่อนเลาจะพิชัยเนี่ยะครับเมื่อไร่พิษุณี ส, สมารับโอวาจึงค่อยห่มจีวรผืนนี้เดินตามมาเบื้องหลังพิชชนีสให้เดินมาข้างหลังเขา้าด้วยนะครับให้น้ำนำน้ำหน้าได้ถ้าเห็นนะให้เดินตาม อ, ง, อาางพิชชนีสนะครับฝ่ายพิชชนีนั้นนำจีวรตาม ท, ที่พับไว้นั้นไปเก็บไว้ ถึงคราที่พิสุ न ีสงมารับอุวาจึงห่มจีวรผืนนั้นเดินตามมาเบื้องหลังพิสุนีสงพิสุนีไม่เห็นพกกเพราะว่าแกเดินข้างหลังใช่ไหมแต่าาาาชาวบ้านเขาเห็นเขาชาวบ้านก็เห็นเดินประการแสงใช่ไหมอ้าวมันพิษณสีนุ่เนียนมีอะไรเป็นหลังจีวรหรือผ้าอะไรเนี่ยก็ผ้าลามะหงครับประชาชนเห็นก็เลยเพ่งเทวาเิรียมบูธนานะว่าพิสุีพวกนี้หมดความเกรงกลัวเป็นคนชั่วไม่มียางอดย ว่าอย่างนี้เลยนะเขียนรูปอมิจิตตามความเห็นไว้ที่จีวรได้ปิสุท์ทงหลายเไยถามว่านี่ใครทํานะก็ตอบว่าพระคุณเจ้าทายีปิสุท์ทั้งหลายพูดว่ารูปอย่างนี้ไม่งามแม้แก่พวกนักเลงที่หมดความเกรงกลัวไม่มียางอ่านใช่ไหมแม้แต่พวกนักเลงหญิงนักเลงอะไรเ้ายังไม่ทํานี<ม>้เลยนะครับอที่ว่าไม่แต่คนสมัยนี้แหละที่ว่าจะไปเขียนภาพผีผู้ชายใส่เมนถือกันนะ ้วก็ติด่าที่เสื้ออะไรเงี้ยรูปใหญ่ๆผืนใหญ่ๆไม่มีใช่ไหมครับฉันไหนจจงาแก่พระคุณเจ้าทานีเล่าแล้วแจ้งให้น <inaudible> <is right. S 2> ักแก่พิส <omina overl ain> ุเข้ามาเรื Jedi, his or his or his <position> ่องนี้ก็ไปถึงพธเจ้าพระดวงก็ทรงสอบถามว่าอ่าพิสุนั่นเป็นญาติของเธอหรือไม่ใช่ญาตมิใช่ยาตพระเจ้าฆ่าพระดวงก็ทรงตีเตี๊ยบพระทานยีแล้วก็มีอสุขามูนิขึ้นมานี่อันนี้ภรรยาสาวพระทานยี เป็นพรรยาเก่าไม่ใช่ญากนะพรรยาเก่าไม่ใช่ญากคนระับพิสุนีนะครับไม่ใช่ญาตนะอันนี้ไม่ญาติต้อ่บไปทุกรอยเข็มทุกครั้งที่สอยเข็มนี่ครับใช้หุ่นเย็กก็ต้องไปตีนะแยกหนดียใช้หนเดียวแต่เย็กแม่หลายเขาก็ต้องมาไปตีเลยที่เหลือผมไมู่ีอะไรนะครับถ้าจะใช้นะผมว่า มันจะมีที่ใหม่มใช้แล้วก็ไม่ต้องอาบัตนะครับถ้าเมื่ออาจารย์และอุปชากําลังเยี่ยมจีวรเพื่อพวกพิสูจผู้เปัญญาของตนใช่ไหมนะครับญาติในเยีนะ่ยมไม่ได้มีปัญหาหรอเป็นพี่เป็นน้องสาวในเยี่ยมก็เถอะฝา่ายนิสิตเหล่านายของท่านหล่อนั้นเยี่ยมด้วยตั้งใจว่าผู้เราจะทาจําอาสนิยมวัฏอุปชายาวัฏลิกถินวัฏเป็นอาบัติมากตัวแม้แก่นิสิ์เหล่านั้นตามจนลอยเข็ม เนี่ยจะจะแยกไม่ได้เห็นไหครับเพราะ brasile, ยังไงเป็นจีวงของพิษุณีผู้ไม่ใช่ยากเป็นยากของปราชญอาจารย์ก็จริงแต่ไม่ใช่ยากของลูกศิษย์ใช่ไหมรูกศิษย์อ้าวผมทํำมาจะได้ยากวัดชื่อยอาจารย์แยกอย่างนี้นะไม่ได้เห็นไหมครับเพราะเรียนก็เป็นของพิษุนีเท่าไหล่นอกจากว่าอันเทวาสิกย์นอกจากว่าพิษุณีเหล่านั้นน่ะเป็นยากของอันเทวศิก์ด้วยมันถึงจะไม่เป็นอาบัตใช่ไหมอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้แค่นี้เสร็จวินีนี้พอ แต่ถ้าเย็น บ, บริษาทเราอื่นนี้ไม่ต้องอาบอะไรหรอกนะเี่อเย็ดให้เย็บบริษัทอื่นนั้นจีมอลนะครับเย็บสถามมาณสนามเดีรีนี่ก็ไม่เป็นไร